คุณรัตนีดีขึ้นยังอ่าดีแล้วะดีแล้วอยา ก, กลับไปทำอย่างเก่าอีกนะตอนนี้มันเริ่มจิตใจมันเริ่มรูดออกมาแล้ว ่ทิ้งไปให้หม ด, มด อ, มอแล้วกิเลสเกิดแล้ว่อยรู้เอลาก็แล้วแต่เวลาโลภะโทสะเกิดอะไรเงี้ยทีแรกเราจะรู้แต่กิเลสห ย, ยาบๆอย่างโกรธแรงๆก่อนแล้วเราค่อยรู้อะไรเงี้ยต่อไปสติปัญญามันไวขึ้นจิตไวนิดนึงเราก็จะเห็นนะแต่ถ้าเราไปประคองไว้เดี๋ยวจะกลับไปติดอีกไวจะหลุดยากนะ แก้ยากคุณรัตตมีแก้ออกมาได้ก็เก่งนะแล้วประคองเห็นชินเอ็ชินเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาตัวนี้โดยตรงเลยนิมิตทั้งหมดอะ่ะเสียงทั้งหมดอะ่ะมาจากประคองไว้<ม>เกิดจากสมถะงั้นถ้าเราปล่อยไม่ประคอง น, ะนิมิตมันก็หายหมด ไม่เป็นไรนะไม่ปกคอรองไว้ก็ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรนะตอนนี้ที่ทำอยู่ช่วงนี้ใช้ได้ละไม่มีปัญหาเพราะจิตใจมันเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว <c oughs> ถ้าไปเพ่งไว้จิตจะออกมามันก็แข็งแข็งทื่อๆเหมือนเด็กกลิก ขยับไปขยับใยจงใจปฏิบัติไม่จงใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆไม่ต้องไปทําอำทําให้มันเหมือนคนธรรมดานคนธรรมดาสบายๆเพียงแต่ว่าตาคนธรรมดานิดเดียวคนธรรมดาพอกิเลสเกิดเขามองไม่เห็น ของเราพอกิเลสไหวแวบเบข้ามาสติมันเกิดเองมันจะเห็นเองถ้าเห็นเองนะใช้ได้ถ้าจงใจจะไปเห็นนะของปลอมจับใจลอยไหม <c oughs> หัวล้อเขาเราก็ใจลอยนะ <c oughs> รู้จับเพ่งไหมประคองรักษาหัวจะหลงไปเลยประคองเอาไว้สิ่งที่ผิดในการปฏิบัติมีสองอัน สิ่งที่ผิดหมายเลขหนึ่งคือเผลอไปเมื่อไหร่เราเผลอไปเราใจลอยไปเราจะลืมกายลืมใจตัวเองรู้กายรู้ใจไม่ได้อันที่สองถ้าเราไปเพ่งไว้กายกับใจมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอไปรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งไว้รู้ไม่ตรงความจริงนี่นสิ่งที่ผิดไม่ให้ทามีสองอัน เผอไปกับไปนั่งประคองไว้เพ่งไว้สิ่งที่ทำให้ทำอะไรให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกอย่าใจลอยไปแต่ไม่ได้เพ่งร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาแต่ไม่ได้เพ่งจิตนะเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันให้รู้สึก้้ า, ารูมมราไม่ฝืนสินสไม่ไม่ต้องไม่ต้องจงใจทำนะ <c oughs> ให้กิเลสมันเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิด ให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมีสติไปรู้มันแต่ถ้าเราไปดักเอาไว้ไปจ้องไว้มันจะแข็งแขงขึ้นมาทื่อๆห้ามจ้องไว้ก่อนทางอภิธรรมเขก็ขอชอบสอนบอกอย่าไปดักรู้ให้ตามรู้เอาเหตุทียินอาจารย์อภิธรรมหลายคนสอนบางคนก็ชอบเพ่งนะเพ่งใช่ใช่ให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแต่ต้องเกิดแล้วต้องรู้ไวๆนะ เช่นมันโกรธอยู่รู้ว่าโกรธมันเผลออยู่แล้วรู้ว่าเผลอเผลอขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าเผลอไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้นานไปต้องแบบติดๆเลยกระชั้นกระชั้นใจของเราจะหนีทั้งวันใจลอยทั้งวันโดยธรรมชาติในโลกนี้คนรู้สึกตัวไม่มีหรอกในโลกมีแต่คนเผลอหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาก็คิดเลย รู้สึกไหมตื่นขึ้นมาแล้วก็หนีความจริงลืมกายลืมใจตัวเองหนีไปอยู่ในโลกของความคิดหนีไปอย่างเนี้ยหนีซึ่งซึ่งหน้าอย่างเนี้ยนะรู้สึกไหมตอนที่เราหันไปดูเคขาเราลืมตัวเราเองน อ, อย่างนี้เรียกว่าหลงดูนะเป็นหลงหลวงปู่ ด, ดูเรียกสง่งจิตออกนอกออกไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปในโลกของความคิดเันนี้เรียกส่งนอกหมดเลย ห น, นี่ไปคิดอย่างนี้ยรู้จักไหมเห็นเกิดไม่ฟังไปคิดไปรู อ, ออกไหมพวกเราทุกคนนะฟังไปคิดไปมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่เคยเห็นเนี่ยเราไม่เคยรู้จักเรื่องของตัวเราเองจิตใจของเราเนี่ยฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเราไม่เคยเห็นเลยเรามัวแต่รู้เรื่องที่เราฟังมัวแต่รู้เรื่องที่เราคิดเราไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเอง อย่างขนาดนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเอ <c oughs> ามันคิดมันจะลืมกายลืมใจตัวเองเนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ควรยังไงไม่ควรยังไทงทั้งสิ้นอ่ะมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะรู้สึกตัวได้ตลอดเวลานะเราแค่อย่าเผลอนานเผลอนานา น, น่าเกเลียดเผลอนิดหน่อยพอเราหน้าอดรู้เห <c oughs> ็นไหมลืมตัวเองเมื่อกี้เนี้ยรู้สึกไหม ลืมกายลืมใจของเราเองของคุณนั่นไปมองไปใจเราลอยไปนึกออกไหมใจลอยใจลอยใจลอยก็คือลืมตัวเองงงไหมไม่ไม่สงสัยเลยนะฟังรู้เรื่องดีฟังไปเรื่อยๆอ้าวไม่ไม่สงสัยแล้วทำไมต้องถามมา จิตคิดกับเราคิดเราคิดนี่มันจงใจคิดจิตคิดเนี่มันทํางานของมันโดยที่เราไม่ได้จงใจอย่างเราจงใจคิดคิดเลขจงใจคิดเราก็คิดแต่เรื่องเลขของเราถ้าจิตมันแอบคิดเนีมันคิดร้อยเรื่องพันเรื่องคิดไปเรื่องโน้นที่เรื่องนี้ทีไม่ได้เจตนาไม่ใช่เวลาเราบอกว่าตามดูจิตคิดใช่ไหมครับตอนที่ตามดูจิตคิดเนี่ยให้ตามดูเพาคิดไปเรื่อยๆหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ให้แค่รู้ทันว่าจิตกําลังหลงไปคิดอยู่มไม่ไม่ต้องสนใจอารมณ์ไม่ต้องสนใจเรื่องที่คิดก็ได้ <c oughs> เรื่องที่คิดไม่มีความหมายอะไร <c oughs> เรื่องที่คิดเนี่ยเป็นสมมุติปัญญัต์ <c oughs> เราต้องรู้อารมณ์ประมัดรู้ถึงตัวรูปตัวนามตัวจิตจริงๆริ <c oughs> จิตจริงๆอย่างตอนนี้กําลังตั้งใจฟังรู้สึกไหม <c oughs> รู้ว่าตั้งใจฟังเนี่ยเรารู้ทันพฤติกรรมของจิตใจเราเอง ให้คอยรู้ทันพฤติกรรมของใจให้คอยรู้ทันความรู้สึกทางใจรู้อยู่สองอันเนี้พฤติกรรมทางใจเช่นจิตใจเราวิ่งไปทางตาจิตเราวิ่งไปทางหูจิตเราวิ่งไปคิดเรารู้ทันเรจะตื่นขึ้นมารู้ทันความรู้สึกเช่นพอมันคิดเรื่องนี้แล้วมันโกรธความรู้สึกโกรธเรารู้ทันมันคิดเรื่องนี้แล้วเกิดโลภเราก็รู้ทันว่าใจมันโลภขึ้นมาแล้วนั่นการดูจิตดูใจเราดูสองอัน นหนึ่งดูพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของจิตจิตจะมีกิริยาอาการเช่นมันวิ่งไปทางตามันวิ่งไปทางหูมันวิ่งไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปคิดเดียวกว่าฟังอีกดออกไหมนีม่ให้คอยรู้ทันอยนะ่างเนี้ยถ้ารู้ทันแล้วเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วจิตจะเบิกบานในฉับพลันลลนั้นเลยตอนนี้หนี่ไปคิดอีกแล้วรู้ไหม นี่ให้คอรู้ทันอย่างนี้นะนี่ก็คิดจนเพลินแล้วรู้ไหม <c oughs> อยากพูดรู้ไหม <c oughs> อยากพูดรู้ไหมเห็แนแรงดันในอกเราไหมดูซีที่ยงหรือไม่เอียงดูก่อน <c oughs> เอออย่าเพิ่งถามนะดูก่อน <c oughs> ถ้าไม่เที่ยงแล้วจะต้องพูดทําไมนี <c oughs> คือวิธีเรียนธรรมะนะหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้กว่าหลวงพ่อจะได้เคล็ดลับอันนี้น่าลําบากปางตายเลยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอก ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านเอาธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาให้คิดเอาสิ่งที่เราได้นะคือความคิดอ่านเอาฟังเอาเราได้ความจํายังไม่ใช่ความจริงอยากเห็นความจริงนะรู้สึกอนะ่ะจิตใจของเรามันแอบไปทําอะไรคอยรู้ไว้รู้ไว้ด้วยเรื่อยๆในสุดเราจะเกิดปัญญาจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราจะเกิดปัญญาจิตนี้เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้ มันจะไปทางตาหรือมันจะไปทางหูเราก็เลือกไม่ได้มันจะไปคิดจะคิดดีหรือคิดร้ายเราก็สั่งไม่ได้ <c oughs> เคยเป็นไหมอยู่ยุ่งก็ด่าใครขึ้นมาเฉยๆหรือมันว่าใครขึ้นมาเฉยๆไม่ได้เจตนานะมันทำขึ้นมนเองได้นะหรือเวลามันกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราก็เลือกไม่ได้จะเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเราก็เลือกไม่ไดนะ้อย่างเราได้ยินคนด่าเราขเขาด่าไอ้บ้าบางทีกนะ็โกรธบางทีก็ไม่โกรธ ใจเราเป็นของเลือกไม่ได้อ่าถามได้จิตที่มันเดินทางไปไนกับตัวรู้เนี่ยตัวรู้คือจิตรู้ใช่ไครับอ่าตัวรู้คือคือจิตจิตที่รู้ทันจิตจิตในจิตก็หมายถึงเราเห็นจิตย่อยแต่ละขณะแต่ละขณะเรียกว่าจิตในจิตกายในกายก็คือเราเห็นกายแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ใช่มีกายอันเดียวตลอดชีวิต แต่เราเห็นกายลงเป็นขนาดขนาดกายตอนนี้นั่งตอนนี้ยืนตอนนี้เดินอะไรเนี้ยนี่เรียกว่ากายในกายจิตในจิตก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จิตเป็นสุขเดี๋ยวก็จิตทุกข์เดี๋ยวเฉยเยเดี๋ยวเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นคล้ า, า, ายๆจิตย่อยๆย่อยๆเกิด ต, ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะเรียกว่าจิตในจิตนีไปคิดทรบาบไหมธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันคิดเรียนได้ด้วยวิธีเดียวด้วยการรู้สึกเอารู้สึกกายรู้สึกใจนะ หลวงพ่อเทียนก็สอนดีหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหรอกไปเจอท่านก็ภาวนาดีท่านบอกว่ากายเคลื่อนไหวรู planet, ้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกให้รู้สึกอ่ะร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อกี้ยกมือรู้สึกไหมแต่เมื่อกี้เผลอยกมือรู้สึกไหมแล้วเมื่อกี้เราเคลื่อนไหวเรารู้ว่าเมื่อกี้เคลื่อนไหวเราจะตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้เคลื่อนไหวนะเราจะตื่นขึ้นมา แค่สติเกิดจากการตามรู้ตามรู้กายได้เมื่อกี้พยักหน้ารึไหมเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนตื่นขึ้นมานี่ทีคิดทราบไหมยังไม่ยอมตื่นรู้สึกไหมว่าเราเกร็งๆไหมเราประบคองความรู้สึกตัวรู้สึกไหมใจเราเกรงๆนะให้ไปคอยรู้ทันตัวนี้ไหมของคุณมีปัญหาคือจิตมันติดสมถะ สติการประคองไว้กําหนดไว้นะให้คอยรู้ทันแล้วไปมันจะคลายออกคลายออกมันจะกลายเป็นการรู้สึกที่เป็นธรรมชาติถ้ารู้สึกเป็นธรรมชาติใจจะโล่งเบาเลยถ้ารู้สึกแบบประคองไว้ใจจะหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทืๆ่อๆในอัถกถามหาสติปัฏ ฐ, ฐานสอนดีนะบอกสติอันกําหนดเยใช้สติไปกนนะําหนด่ะสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์ เช่นกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยเสี่ยงกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี้เป็นตัวทุกข์งเก็บไม้กำหนดแล้วทุกข์เลยตัญหาคือความอยากปฏิบัติอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเนี่ยคือตัวสมุทยัยงี้นเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราลงมือกำหนดปั๊บใจจะแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมาเลยวันนี้สร้างมีสมุทยมีความอยากปฏิบัติ ก็เกิดการสร้างสภาวะบางอานขึ้นมาเป็นทุกขนะ์วิธีปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างนั้นก็อกนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเราจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเลยนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวได้จิตใจก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราบังคับมันไม่ได้ จะเห็นอย่งนี้เห็นใจรักเห็นเกิดปัญญา น, นั่นเองปัญญาก็คือไปเห็นใจรักของสังขารของความปรุงแต่งของกายของใจรู้จักใจลอยไหมเรียนอันเดียวก็พอใจลอยแล้วรู้ไวๆแค่นี้พอสู้ไหวไหมไม่ต้องเรียนเยอะ <c oughs> ก็กรรมฐ า, านมีเยอะนะสาหรับคนหลายๆคนกรรมฐ า, านสําหรับคนคนหนึ่งใช้ไม่เยอะหรอก หีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเหลือไปคิดอีกแล้วจงใจไปดูมันทราบไหมให้รู้ทันว่าจงใจรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจเราไปเรื่อยๆคิดสนุกไหมรู้สึกไหมตอนที่เราคิดเราลืมกายลืมใจของเราเองเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้ลืมไปละจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์หรือจิตใจเราเฉยๆเราก็ไม่รู้เนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหม มีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเวลาเปนเผลออ่ะปัดว่าไงบัดดีดีดบัดการปฏิบัตินะถ้าทำถูกเนี่ยเราจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้เปลี่ยนเร็วด้วยรู้สึกไหมเปลี่ยนแปลง ใ, ใจเราจะมั่นคงขึ้นกิเลสครอบงำเราได้น้อยลง เหลือสั้นลงโกรธเขาดุรุนแรงน้อยลงเราจะรู้ด้วยตัวเองแอสตันรึเปล่าแอสตันอะไรนะสองเจ็ดหรือสามเจ็ด <c oughs> <c oughs> เป็นไงภาวนามั น, มนรู้เยอะขึ้นแล ต, นนนต่ก็มีฝาหสงสัยเยอะมาก ก็ดีนะสั้นดีมากนักปฏิบัติทุกคนแหละเวลาเราฝึกไปเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะสงสัยไอ้รู้เนี่ยรู้จริงหรือไม่จริงนะแกล้งทําขึ้นมาหรือว่ามันรู้ถูกต้องแล้วให้รู้ทันลงไปในปัจจุบันเลยกําลังสงสัยอยู่เพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสั้นรู้ลงปัจจุบันตลอดเลยอย่างจิตใจมันรู้สึกตัวขึ้นมาเราเกิดสงสัยว่าไอ้รู้หรือยังนะรู้ว่ากําลังสงสัย ถ้ารู้ลงปัจจุบันนะั้นมันจะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมานะใจมันจะเบาๆบาสบายเอาให้สั้นใะช้ได้แล้วล่ะจิตมันค่อยๆตื่นแล้ ว, นะลวนะรู้สึกไหมมันเบาเมื่อความมันหนักหนักหนักเมื่เราไปเพ่งไหมจิตที่เพ่งแล้วก็หนักหนักเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะต้องระวังพราะจิตที่เป็นมหาอกุศลจิตมีลัทธตามีความเบานะมีมุทุตาความอ่อนโยน ถ้าใจเราแข็งแข็งนะนแสดงว่าผิดละ่ะจิตที่เป็นมหาครูโสลจิตเนี่ยคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ว่ามีปากุณาถ้าทื่อๆซึมซึมทื่อๆนะผิดละ่ะเป็นอักขนะุสนแอสตันนึกออกไหมที่ก่อดๆเราทําจิตเราจะเป็นอักขุศล น, นะความพลาดของพวกเราอยู่ตรงที่เร า, เ ร, าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ครบเราเรียนศีลสิกขาเราบอกเราถือศีล เราทำปัญญาสิกขาเราไปรู้รูปนามเราข้ามจิตสิกขาไปบทบทเรียนที่สอง่ะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียกไตรสิกขาถ้าเราไม่รู้จักจิตสิกขาเราไม่เรียนไม่สนใจเราไม่รู้ว่าลักษณะของจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลัะต่างกันยังไงงั้นเราก็เลยเกิดอกุศลจิตเกิดโลคอยากปฏิบัติเนี่ยโลภะนะ พออยากปฏิบัติโลภะเกิดก็เกิดการทํางานทางใจคือการเข้าไปกําหนดจดจ้องไว้ความทุกข์ก็เกิดกิเลสที่โลภะก็ทํ า, นะาทให้เกิดการกระทํากรรมคือการจ้องมีการกระทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็เครียดเครียดขึ้นมากนะิเลสกรรมวิบากนี่เรียกไตรวัตถ้าเรารู้ทันเราอยากปฏิบัติพวกเรารู้ว่าอยากปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วนะถ้าดูตรงนี้ไม่ทัน จิตเรากำลังไปประพองไปกําหนดจดจ้องอยู่ไปทํางานแนละ้วทากรรมนะรู้ว่ากําลังทํากรรมอยู่อย่างนี้ยังใช้ได้มันก็จะเริ่มการกระทากรรมนะแต่ถ้ามันทําไปแล้วหนักหนักแน่นๆ แ, แล้วนะช่วยไม่ได้แล้วเป็นวิบากแล้วแก้ไม่ทันนะดีนะแอคชั่นดีขึ้นเยอใช้ได้แนละ้ดีใจด้วยนะยากนะกว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมนาะยากที่สุดเลย มันมีแต่คนหลงไม่ใช่หลงพ่อแกล้งว่านะบางคนนึกว่าหลงพ่อแกล้งว่าแกล้งรับไม่ได้ว่าเลยนน่าสลดสังเวช ท, ที่สุดเลยในโลกเต็มไปได้วยคนหลงหลงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยน้อยคนนะที่ได้ฟังทกิดทั้งตื่นขึ้นมาจิตใจตื่นรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงการที่เราตื่นขึ้นมานี่แหละคือต้นทางของการปฏิบัติ ถ้าเราไม่ตื่นเราจะไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเพระเราคิดไปฝันไปเราก็จะคิดแล้วก็ฝันว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแอสตันรู้สึกเลยใช่ไหมกายไม่ใช่ตัวเราโดยไม่ต้องไปแกล้งคิดเลยมันเห็นส่โท่ว่าไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยไอตัวนี้ไปยักหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะี่เห็นเลยแต่จิตยังเป็นเราอยู่ ต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูให้เห็นว่าจิตนี้ก็เกิดดับนะเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางตาเดี๋ยวจิตไปเกิดทางหูเดี๋ยจิตไปเกิดทางใจเดี๋ยวจิตไปเกิดเป็นกุศลจิตไปเกิดเป็นอกุศลต่างๆเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นจิตทุกชนิดเลยมีแต่เกิดกับดับถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันทํางานของมันได้เองสารพัดเลยใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอันนี้วันนั้นจะได้พระโสดาบันนะ พระโสดา บ, บันละสักกายทิธิละความเห็นว่าขันห้าเป็นเราพรนะพุทธเจ้าบอกเลยบุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะคนาศาสนาอื่นก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะเห็นเนี่ยหน้าตาเราตอนนี้กับตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็เห็นคนน้นตายคนนี้ตายเห็นเรื่อยๆนะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของถาวรจริงจงแต่เรารู้สึกจิตของเราเนี่ยถาวร จิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเป็นคนเดิมจิตของเราเดี๋ยวนี้กับในอนาคตเราก็ยังรู้สึกว่าคนเก่าอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรามาเฝ้ารู้เราเห็นเลยจิตนี้เกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับจิตไปเพ่งแล้วก็ดับจิตดีก็ดับจิตร้ายก็ดับจิตสุขจิตทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับหมดเลยถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมาเลยทุกสิ่งที่เกิดแล้วได้ดับทั้งสิ้นเลย ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะรวมเข้ามาที่อัปปนาสมาธิเราตัดเลยจะตัดสักยะทิฏฐิขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นหน้าที่เราคอยรู้สึกคยรู้สึกนะรู้ทันจิตรู้ทันใจไม่ใช่ไปบังคับเขาเราเรียนรู้เขาไม่ใช่เพื่อบังคับเขาเราอย่าไปสำคัญผิดหลายคนปฏิบัติทรรมด้วยความสำคัญผิดสำคัญว่าถ้าเราบาังคับกายบังคับใจเราได้ดีแล้วจะบรรลุ ไม่บรรลุหรอกเพราะกายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้จริงหรอกบังคับได้ชั่วคราวนะเพ่งให้นิ่งก็นิ่งชั่วคราวเดี๋ยวก็เลิกนะแท้จริงแล้วกายนี้ใจนี้บังคับเขาไม่ได้แต่เราตามรู้ตามดูเพื่อให้เห็นความจริงเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเรานะล่ความเห็นผิดว่าเขาเป็นเราได้เข้าถึงธรรมะว่างอ่อสตัน แว่าที่โรงานเือว่าใจไม twisted, main, ่พาามความพยายามที่ต้องคือรว่าาาไม่ไม่นใจเลยปลอปคือวิธีเราทำนี้นะแต่ละวันเนี่ยตอนเย็นๆเราต้องมีข้อวัดปฏิบัติของเราเราเป็นคารวาสถ้าดีที่สุดเลยก็คือตอนตื่นนอนเนี่ย เราไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรือเดินจงกรมทําไปเถอะก่อนนอนเราก็ทําอย่างนี้ถ้าทําไม่ได้ตอนเช้าเราก็ทําก่อนนอนสักวันแต่และ ว, วันต้องทำนะมากน้อยควรจะทําเป็นกิ จ, จวัตรจิตใจของเราจะได้มีกําลังจิตใจของเราเราไหว้พระสวดมนต์เราเดินจงกรมเรา ท, าทําสมาธิทําไปเราได้กําลังได้สมถะเวลาเรานอนเราได้พักผ่อนร่างกาย เวลาเราลงมือไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยเราได้พักผ่อนจิตใจพอจิตใจร่างกายเราได้พักผ่อนแล้วตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะว่องไวนะเราจะค่อยรู้เท่าตานจิตใจของเราได้บ่อยแต่ถ้าเรารู้ลูกเดียวเราล่าชิงข้อวัดปฏิบัติแต่ละวันจะดูอย่างเดียวเลยไม่สนใจที่จะรู้สึกไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่เอาเลยเดิจงกรมนั่งสมาธิอะไรไม่เอาเลยใจจะอ่อนแอมักจะรู้ไม่ได้จริงหรอก เพราะงั้นแต่ละวันให้มีข้อวัดไว้บ้างทาทุกวันตั้งใจทุกวันนะแต่ว่าไม่ต้องตั้งใจเยอะไม่ใช่ว่าทุกวันต้องเดินสามชั่วโมงวันไหนทําไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นต้องชดเชยอะไรอย่างเงี้ย น, นะเดี๋ยวเครียดตัดเครียดจัดตั้งไวน้นิดหน่อยเช่นจะต้องทําอย่างน้อยสิบนาทีอะไรย่างเงี้ยจะทําเกินก็กําไรแล้วเราทําเป็นกิจวัดจิตใจเราจะมีกําลังแล้วก็เราก็เลือกคบคน พบคนที่เขาพูดเรื่องการเจริญสติอะไรเงี้ยถ้าเราพบคนชนิดไหนเราจะกลายเป็นคนชนิดนะั้นคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าพ่อจําชื่อไม่ได้ลรอปาอะไรมีพระรับสาวกผู้ใหญ่นะอยู่คนเยอะและ้วพระสาวกผู้ใหญ่แต่ละองค์ก็มีลูกศิษย์ของท่านอ่ะแวดล้อมอยู่พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้ภิกษุที่นั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่บอกนั่นแหละ พวกพิกสูที่เดินตามภาษาริบุตรเนี่ยเดินจงกรมตามภาษาริบุตรพวกนี้เป็นพวกที่รักในปัญญาชี้ไปทางสาวกของพระโมคคัลลาเนี่ยพวกนี้ชอบฤทธิ์ชี้ไปทางพระนุรุตสาวกลูกศิษย์พระนุรี่พวกชอบทิพจักสุกพวกที่ตามพระมหากรสปะเนี่ยพวกนี้ชอบผู้ด่งแล้วก็ชี้ไปทางพระอนุนพวกที่แวดล้อมพระอนุนพวกพระหูสูตร นะอยากรู้เยอะชี้ไปทางผู้แวดล้อมพระเทวทัศนตทิกสูเหล่านี้ทั้งหมดปรารสนาลามกเพราะฉะนั้นเราครบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นเราครบคนที่มีสติเราจะเป็นคนมีสติเราครบคนประมาทมัวเมาเราจะกลายเป็นคนที่ประมาทมัวเมาเราะนั้นอย่างการที่เราดารงชีวิตกับโลกเนี่ยอย่างเรามีเพื่อนสหธรรมิตรของเราคุยเรื่องธรรมะ ก, กันบ้างะเนี่ยนะถึงเวลาออกไปวัดด้วยกันบ้างเนี่ย กระตุ้นมันเตือนมันจะช่วยให้เรารู้สึกได้เยอะขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมเขามีผลนะในช่วงที่เรายัางไม่แข็งแรงมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกาลยาณมิตรช่วยกันเวลาเราอยกคิดเราอย่าไปคิดเลอะเทอะทสอนให้คิดเรื่องอนุสติคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงการที่เราได้ทําความดีต่างๆอนะไรเงี้ยคิดถึงสมถะคิดถึง การเจริญปัญญาคิดถึงอะไรที่มันดีๆคิดถึงธรรมะเวลาคุยก็คุยกับถาวัตถุคุยเรื่องการมักน้อยสันโดษอะไรเงี้ยคุยกับพักพวกนะถ้าคุยกันเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ไปหมดเพราะงั้นเราดำรนิชีวิตนะให้ให้มีระเบียบแล้วไม่จะทําง่ายจะมีกําลังไม่ใช่เรื่อยๆมาเรียนเรียงนะเรียงไปไหนก็ไม่รู้นะดีขึ้นเดียวละต้านใช้ได้ละเบาละ รู้สึกไปอ้าวปูเป้ปูเป้ว่าไงฮะอ้ะะาวอ้าวหลวงพ่อถามเราแล้วามาถามหลวงพ่อ แต่ อออืมเถูกต้องเลยรู้แล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับ อ, อีกจิตและอารมณ์นะเกิดด้วยกันเกิดแล้วก็ดับตอบกั น, น, อ, น อ, อ, อ่มันเป็นของมันเองนั่นแหละภูเพดูไปงั่นแหละนะไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกแล้ว หนะ้าที่รู้ไปตราที่มันเป็นนะแต่ปุ้เป้ระวังอย่าไปเกรงขึ้นมานะดนะูให้สบายตอนนี้เกงรงหรือออกไหมค่นะนี่ยรู้เลยาพอมรนรู้เนียเริ่มมีตัวิเกรงนมาเออใช่ทันดานเดิมเนี่ยภาษาพระเรียกมันมีอนุสัยมันเคยชินนะถูกต้องแล้วเห็ น, นอย่างนั้นแหละดูไปเรื่อยๆนะ ไม่ใช่ความว่างที่แท้จริงหรอกมันเป็นควา ม, านะมวาม่างที่เข้าคู่กับความวุ่นนะเป็นของคู่กันพอ ม, มันเลิกวุ่นมันก็ว่างไม่ใช่ว่าไม่ใช่มหาสุญญาตานะโค้ล้านกันเลยนะเพราะฉะนั้นเจะเห็นนะถูกต้องแล้วจิตนี้ก็เกิดดับเกิดดับทีลักษณะนะจิตไปรู้ความว่างพอ ม, มันดับลงไปใช่ไหมมันก็ดับด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นะนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็มีจิต เป็นของคู่กันตลอดจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยแต่เสร็จแล้วก็ดูต่อไปอีกเห็นไหมธรรมชาติทั้งหมดถูกรู้ถูกดูอีกแต่ว่าปูเป้อย่าจงใจย้อนมาดูตัวผู้รู้นะอย่าห้ามจงใจย้อนถ้าย้อนมาดูมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้ขึ้นมาอีกแล้วนั่นแหละมันจะสาวไปหาต้นไม่เจอไ ม, ไม่ต้องสาวนะ จะวุ่นวายแค่รู้ไปว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่เท่านั้นเองก็ช่างมันอย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปกำหนดหมายลงไปที่ตัวผู้รู้นะแค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็พอแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่จงใจกำหนดหมายแนละ้วมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้ทันทีเลยมันจะซ้อนซ้อนซ้อนซ้อ น, อนไม่มีที่สุดเลยเสร็จแล้วจะปวดหั ว, ว, วอ่าใช่ใช่อ่านั่นแหละจิตมันฟุ้งซ่าน อะไรที่มันยุ่งเหยอนะโยนมันทิ้งไปตั้งต้นใหม่ดีแล้วกูเปืดีแล้ ว, ลวมันเกรงขึ้นมาเราก็รู้ทันมันหนะลวงพ่อเคยตอนนั้นหลวงปูดดูดไม่อยู่แล้วเข้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งล้วก็ดูของเราเรื่อยไปดูแล้วลจิตเป็นไหลลงไปแช่นะนี่หลวงพ่อคืนก็บอกเฮ้ยประโมดดูอะไรอย่างนั้น ทำไมเราไม่ดูจิตดูใจของเราไปดูไอ้ตัวน้นไอ้นั่นมันของถูกรู้ถูกดูทําไมถล่มไปดูมันอย่างเงี้ยแต่ท่านไม่พูดยาวอย่างนี้นะท่านบอกเอ้ยพระโมททําไมไม่ดูจิตโมจะไปดูของที่ถูกรู้ท่านบอกอย่าเงี้ยเราก็นึกว่าท่านสั่งให้ดูตัวผู้รู้นะคิดว่าได้เคล็ดวิชาลึกลับสุดยอดแล้วนะเ <c oughs> ข้ากุฏิีศิตตูเลยจนะดูตัวผู้รู้นะมันกลายเป็นตัวถูกรู้อย่างที่ปูเป้เป็นอนะ่ะต้องก็สาวกันไปเรื่อยเลยสาวสาวสา ว, สาวนะ สาวจนจิตนี้นะสับสนหมดเลยวุ่นวายหมดจิตแทบจะบ้าตายนะแตกกระจัดกระจายพอเช้าข้นมาหลวงพ่อช้ำ ม, มืดนะรีบเปิดประตูมจาจะไปตีกับท่านนะวก็มาสอนกนรรมฐานอะไรให้เราเลอะเทอะประกากฏท่านก็เปิดประตูผางออกมาพร้อมๆกันนะท่านเล่นก่อนเลยภาวนาไงไม่ได้เรื่องเลยเอ้าเล่นเราซักก่อนนะ ก็บอกเราก็ภาวนาผมก็ภาวนาของผมมาดีๆหลวงพ่อมาสอนอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ท่านบอกไม่ได้สอนให้จงใจดูดตัวผู้รู้หรอก <c oughs> ท่านสอนจะบอกแค่ว่าอย่าลงไปแช่กับสิ่งที่ถูกรู้ <c oughs> บอกโต้ว่าอาบอกแค่นี้ทำไมไม่บอกไป <c oughs> ใช้ประโยคที่ทำให้เรางง <c oughs> เสรนจิตหลวงพ่อนะฟุ้งอยู่ตั้งนานเลยกว่าจะกลับเข้าที่นะ <c oughs> เสียไปตั้งนานเลยพราะ <c oughs> งั้นเวลาเราเดินพลาดนะ อย่าขยันถ้าเดินผิดนนะ่ะรีบหยุดเลยตั้งต้นเอาใหม่เออใชมไหมเอเอต่อ่ัดูไหเออนะดีละจิตใจมันฟุ้งนะเราก็ให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวไห้หายสิเพราะว่าถึงไม่ทำอะไรมันก็หาย เราฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีละกูเป้อ้าวแล้วโสต์ของกูปเป้อะแล้วสองคนอะเป็นไ ง, นง <c oughs> ระวังนะถ้าทางจะสู้ลูกสิทธิ์ไม่ไหวอะไรนะ่า <c oughs> ดีน้า ด, ดีปูเป้อย่าไปทำนะเกินธรรมดาดูออกไหม ทำไปตามธรรมดาวุฒเป็นไงวุฒิเออแค่รู้ทันใจเรานะใจเราเป็นกลางกับมันไม่ต้องไปอยากหายง่วงหรอกถ้าใจเราไม่เป็นกลางอยากหายง่วงนะรู้ทันใจที่อยากหายง่วงเลยถ้าใจเป็นกลางนะมันจะง่วงก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอา้าวว่าไงตอม ดีแล้วนะใครดูเรื่อยคุณไทยทิพย์นะเราเราเห็นแล้วสักว่าเห็นไม่แทกแต่งนะเห็นแนละ้วก็เหมือนเห็นคนอื่นอนะเห็นความรู้สึกคนอื่นมันมาม า, มาไปไปนะวันหนึ่งปัญญามันจะได้แจ้งเอาดาวว่าไงดาวอะไรนะเออดีดีด แต่เดิมเราจิตเราสติปัญญาเราหยาบต้องโมโหแรงๆถึงเห็นนะพอเราฝึกมากเข้าคัดใจเล็กๆก็เห็นอย่างโลภะก็เหมือนกันแต่เดิมต้องอยากมากๆก่อนถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้แค่สมมุติว่าฟังเพลงแล้วสบายใจแล้วชอบขึ้นมานิดนึงเราก็จะเริ่มเห็นแนะ้วเราจะค่อยๆรู้ทันกิเลสที่ละเอียดละเอียดพอเรารู้ทันกิเลสตั้งแต่มันยังตัวเล็กเนี่ยมันง่ายนี่คนดูไม่เป็นแล้วรอจนกิเลสตัวใหญ่นะ มันเหนื่อยสมพงดีนล้วเราบอกสมพงดีนะโยโยเตรียมต่อสู้อย่าแหลมเข้ามานะโยเอากิ่นเาคุณที่อุ้มเด็กอะเป็นไงมาหลายปีละ สังเกตในตรงที่เรามันกําลังคิดคิดอยู่เนี่ยพอเรารู้ว่ามันคิดปุ๊บมันเลิกคิดไปแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะคิดต่อเพราะว่ามันยังมีเรื่องต้องคิดอยู่เราห้ามมันไม่ได้เองแต่ว่ามันช่วยไม่ได้เพราะเราห้ามไม่ได้นะแต่ว่าพอมันคิดเราเรารู้ทันมันก็ขาดแวบไปเดี๋ยวมันยังอยากคิดอยู่มันก็คิดต่ออีกเราห้ามมันไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าควรจะเป็นอย่างไร เราไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงเราไม่ตั้งมาตรฐานว่ามันควรจะดีนะ่ะมันควรจะสงบนะอะไรเงี้ยไม่ต้องตั้งมาตรฐานเลยเป็นยังไงก็ได้แต่ถ้ามันเป็นยังไงแล้วใจของเราที่รู้มันใจเราเป็นกลางพอไหมถ้านวะ่า ม, มันคิดไม่ดีคิดไม่ดีใจเราไม่ชอบเลยรู้ทันว่าใจเราไม่ชอบอย่างนี้ก็ใช้ได้ละ อ, อ่นั่นแหละเห็นถูกไม่บังคับไม่บังคับคุณรู้สึกไหมว่าตอนนี้จิตของคุณมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาแนละ้ไ ว, ไ ม, วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสว่างบ้างไม่สว่างบ้างก็ช่างมันนะมันของไม่เที่ยงหรอกอย่างตอนนี้จิตห น, นีไปคิดทราบไหมแล้วนะค่อยหัดรู้ไปใจค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วลนะ่ะคอยดูไปเรื่อยเรย ไม่ต้องไปทําอะไรนะทําอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้แหละใช้ได้เพราะว่าที่ที่คุณปฏิบัติมาช่วงหนึ่งเนี้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆทิศทางมันดีขึ้นกรร็นรรแค่รู้สึกนะ<แ>เห็นเหมือนเห็นคนอื่นมันนั่งอะ่ะไม่ใช่เรานั่งนะอ้อาไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั้นหางานทําไอ้นั้นเพิ่มภาระ แค่รู้สึกอ่ะไอตัวนี้มันพยักหน้านเห็นไอตาคนนี้มันหันไปหันมาเนี่ยไม่ใช่เห็นเรานะ <c oughs> รู้สึกเหมือนกับเห็นคนอื่นต่อไปกิเลสเกิดขึ้นนะก็เหมือนเห็นกิเลสคนอื่นนะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปสบายคุณผู้ชายนี่ล่ะเออรู้เรื่องบ้างไหม <c oughs> ท น, ท, นทนตังนิดนะฟังยากหลวงพ่อก็เห็นใจนะหลวงพ่อเป็นคนที่พูดอะไรฟังยากยากเมื่อวานก็มีคนมาจากการเไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอามานนิมนต์หลวงพ่อไปเทศบอกว่ ย, ยังไม่เทศเออกเทศ ต, ต้องไปเทศให้พวกลานทําก่อนรับนิมนต์ทางนี้ไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเขาก็บอกบอกเขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อเทศฟังยากเขาเถีงยงนะบอกฟังง่าย บอ ง, งั้นสั่งไปเรื่อยๆสั <c oughs> ่งไปจะพักนะที <c> ่ <oughs> <c oughs> จริงเป็นของธรรมดาธรรมดาแต่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฝังเหมือนก็เลยดูยากๆธรรมะแสนจะง่ายเลยกลายเป็นยากเข้าใจอะไรล่ะ ยังคิดเียู่ยังชับคิดะ อ, อะไรนะอ๋อ ไ, ไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่แค่รู้สึกเรานะยกตัวอย่างแล้วนั่งอยู่ยุงกันแล้วเราขันเงี้ยเราขันเร า, าเพรู้สึกอ๋อมันขัน เราโมโหยุงเรารู้ว่าโมโหอะไรเงี้ยอยากจะตบแล้วรู้ว่าอยากจะตบนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากเลยนะไปดูหนังตลกตลกรู้สึกขำรู้ว่าขำนะดูหนังเศร้าใจเราเศร้าไปแล้วรู้ว่าใจเราเศร้าฝึกตามธรรมชาตินะไม่ได้ฝึกอะไรที่ประหลาดหรอกหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นเหมือนเห็นคนอื่นหงุดหงิดได้ไหนั่งดูเหมือนนะว่ายายคนนี้กนแกหงุดหงิดละ นะใจเราไปแค่คนรู้คนดไูไม่ต้องหรอกไม่ต้องถ้าเมื่ อ, อไรสติตัวจริงเกิดนะมันจะหายหงุดหงิดเองหายทันทีเลยนะเพราะว่าหงุดหงิดเนี่ยเป็นกิเลสเป็นโทสะทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยกิเลสดับทันทีอยากตอนนี้หนีไปคิดทราบไหม อ่อคิดตามไม่ต้องไม่ต้องบรรยายให้หลวงพ่อฟังว่าคิดเรื่องอะไรหลวงพ่ออยากให้คุณรู้แค่ว่าเมื่อกี้เราแอบไปคิดแล้วเนะียอย่างนี้เรียกว่าเราคอยรู้ทันโอ้มันมีวิธีเข้าใจที่ประหลาดเข้าใจโดยไม่ต้องคิดอนะ่ะ <c oughs> ย้อนตัวอย่างนะสมมุติว่าอ่าอย่างหลวงพ่อนะเล่าให้ได้หลวงพ่อมาเป็นคนกรุงเทพมาอยู่แถวนี้ย แถวนี้มีนกประหลาดประลาดเดยอะเลยเราคนกรุงเทพไม่เคยเห็นหลวงพ่อเห็นนกมาหลวงพ่อก็ไปถามชาวบ้านนี่มันนกอะไรชาวบ้านบอกนกกะลิงก์อยนกอะไรชื่อประหลาดนะฟังแล้วก็คือยังแบงอยู่เหมือนเดิมฟังแล้วเหมือนกับมีความรู้เนี่ยความรู้ที่มาจากการฟังเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปอ่านตำรามีโยมเขามีตำราดูนกนั่งไปดูเขาเรียกนกจับขาเนี่ยเป็นความรู้ที่ได้จากการอ่านแล้วก็นึกว่าเราเก่งแล้วนะ แต่หลวงพ่อมีอีกวิธีหนึ่งหลวงพ่อไปคอยดูนกตัวนี้นกตัวนี้มันมีพฤติกรรมยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตัวเดียวหรืออยู่เป็นฝูงหรืออยู่เป็นคู่นะกินอะไรเนี่ยถ้าหลวงพ่อเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นนกอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่หลวงพ่อจะรู้จักตัวจริงของนกตัวนี้จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งกว่าไปอ่านตำรามาการปฏิบัติรมก็เหมือนกันนะเราไปอ่านเราไปฟังเราไปถามมาเนี่ยเราได้ความรู้เล็กน้อย แต่ถ้าเราคอยรู้สึกเราจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่รู้สึกไหมนะแต่ละวันเนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่แค่ตามรู้ตามดูไปด้วยเหมือนหลวงพ่อตามดูนกอ่ะแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อรู้จักนกตัวนี้อย่างดีเลยของเราก็ตามรู้จิตใจของเราไปจิตใจเราเดี๋ยวก็หัวเราะจิตใจเราเดี๋ยวก็ร้องไห้แต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันในที่สุดเราก็เลยรู้จักจิตใจของเราอย่างแจ่มแจ้ง นี่เป็นวิธีเรียนรู้ด้วยการสังเกตการเอาอ<ะไ>การเรียนรู้ด้วยการสังเกตการเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่อ่านเอาไม่ใช่ไปถามใครแต่ดูของจริงเข้ารู้ลงที่กายเข้ารู้ลงที่จิตใจในที่สุดก็เข้าใจความจริงของกายของใจนี้ไม่ต้องถามใครเลยนี่เป็นวิธีเรียนรู้นะพอเข้าใจไหมเพราะฉะั้นเราไม่ได้เรียนด้วยการคิดเอานะ อย่างนั่งหลวงพ่อไปเห็นนกหลวงพ่อไปนั่งคิดสงสัยจะนกยูงมั้งไม่คงไม่ใช่เพราะหางสั้นไปอย่างเงี้ยนั่งคิดไปยังไงก็ไม่รู้จักไอ้นกตัวนี้หรอกเพราะเราคิดเอาเองคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ให้ความรู้จากการคิดนะยังเชื่อถือไม่ได้ อ่าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบสมถะใช้เหตุใช้ผลเพื่อไปแก้มันสมถะเนี่ยจิตมันหงุดหงิดหาทางทําให้หายหงุดหงิดนะทำได้หลายอย่างนะเช่นพุโทโธพุธโทโธก็หายหงุดหงิดหงุดหงิดน้องหงุดหงิดหนอเดี๋ยวมันก็หายหงุดหงิดนะหรือว่าเลี่ยงไปคิดเรื่องอื่นไปดูอย่างอื่นซะเดี๋ยวลืมลืมไปก็หายหงุดหงิด หรือไปสาวหาเหตุผลนะอ๋อเขาไม่ได้เจตนาว่าเราหรอกเขาสั่เตือนเราเนี่ยเขาหวังดีนะใช้เหตุใช้ผลแล้วหายหงุดหงิดเดี๋ยเรามุ่งไปสู่การหายหงุดหงิดจุดหมายปลายทางต้องการที่จะหายหงุดหงิดใช่ไหมวิปัสสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบนะั่สมถะแต่ถ้าวิปัสสนานะจิตมันหงุดหงิดเราเห็นเลยความหงุดหงิดเป็นของแปลกปลอมเข้ามาจิตใจเราเป็นแค่คนดูอยู่นะ ความหงุดหงิดเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ว่า ม, มันมาแล้วมันก็ไปด้วยนะมันไม่หงุดหงิดตลอดชาติหรอกมีแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเราเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หัวร<ๆ>เราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจของเราไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเรียนให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้มันจะหงุดหงิดก็ห้ามมันไไ่ด้ สั่งให้มันหายก็ไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้จริงหรอกนีนเเนนะ่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงวิปัสสนานะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงสมาธิเนี่ยทําไปเพื่อให้ได้ความสงบคนละอันกันนะลําพังเรียนให้ได้ความสุขความสงบเนี่ยมีมากร้อนพระพุทธเจ้านะแต่วิปัสสนาเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้า ค, นค้นพบเป็นการที่เราไปรู้ลงไปจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี กายนี้ใจนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันหมดเลยร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะพูดอย่างหยาบๆนะไอนตตน้นี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่สัตว์อีกฝูงหนึ่งเหมือนกันหมดเลยเป็นพวกเดียวกันนะไอ้นี่เป็นวัตถุไอ้แผ่นดินนี่ก็เป็นวัตถุเหมือนกันอีกนะมันจะเฝ้ารู้อีกเนี่ยจนกระทั่งร่างกายนี้กระโลกข้างนอกนี้จริงๆแล้วก็เป็นวัตถุเท่านั้นเองความสําคัญมั่นหมายไปยึดถือว่าเป็นตัวเรามันเกิดขึ้นมา ก็เลยคิดว่ามีเรามีเขาขึ้นมาแท้จริงนะความจริงของมันคือมันเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งจิตใจก <ped aling> ็เหมือนกันเป็นของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์บังคับมันไม่ได้หรอกวันหนึ่งเห็นความจริงเลยมันเป็นของบังคับไม่ได้มันเหมือนของอยู่ข้างนอกด้วยซ้ําไปเห็นความโกรธวิ่งอยู่ไกลๆแล้นน่ะเวลานั่งรู้นั่งดูอเห็นกิเลสเหมือนอยู่ห่างๆได้นะ <ped aling> อะไรๆก็เป็นของข้างนอกไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยเราฝึกเนี่ยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ก็โลกประธาข้างนอกนี้อันเดียวกันนี่ก็โปรดเป็นใช่ไหมนี่ก็โกรดเป็นนี่ก็โกรดเป็นมันเหมือนเหมืๆกันหมดอะ่ะเสมอภาค ก, กันมันก็จะคืนกายคืนใจให้ธรรมชาติกันปล่อยวางนั่นเองถ้าเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราอีกนะ ให้ายๆมันคืนให้โลกเข้าไปคราวนี้เหมือนกับโลกมันจะแตกโลกมันจะทุกข์นะไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนะเราไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยในความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่มันพ้นจากขันนะั่นแหละปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจออกไปแล้วความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้อ้าวคุณผู้ชายใส่แป้นข้างหลังเป็นไงตามดูไปเรื่อยๆนะฝึกไปของคุณก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วละ่ะ ไปรู้เรื่อยๆมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นคุณดูออกไหมใจเราหนีแวบแวบแวบไปเรื่อยๆวันๆดูออกยังนะดีละดีล ะ, ะอย่างนี้ดีมากเลยฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ปัญญามันเกิดะจิตใจไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับมันไม่ได้แล้วมันจะปล่อยวางมนพ้นทุกตรงที่ปล่อยวางได้ะไม่ใช่พ้นทุกตรงที่ไปบังคับให้มันดีสําเร็จนะไม่มีใครทําจิตให้ดีถาวรได้นะ ไม่มีใครทําจิตให้สุขสาวรได้เพราะถ้าคําว่าทําได้ก็คือคําว่าอัตตาไม่ใช่อนัตตานะทําให้มันสุขมันก็ไม่ใช่ทุกข์ะสิทําให้มันถาวนมันก็เที่ยงไม่ใช่ของไม่เที่ยงสนะิขันห้ามันของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเจนบังคับได้คําว่าบังคับได้มันเป็นคำหลอกหลอกเป็นความหลงผิดอาคุณผู้ชายนั่งติดเก้าอี้ข้างหลังนู้นเลยเป็นไง อคุณแล้วชนก้ายีแล้วแล้วต่อฟังก่อนนะฟังหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ยากนะหัดรู้สึกไปสังเกตไม่เวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดดูบอกไหมฟังไปคิดไปเนี่ยคอยคอสังเกตนะเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดบางทีหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยก็มีรู้สึกไหม เนี่ยให้เราคอยรู้ทันตัวเองเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตนั่นเองดูจิตก็คือการคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตหรือคอยรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยห น, นีไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันไปเรื่อยรู้ไปพอรู้มากๆรู้เนืองเนืองต่อไปปัญญามันเกิดเห็นเลยจิตนี่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเที่ยงอ้านกว่าไงนก เออเหมือนของคู่กันสองอันนี้เหมือนเหรียญนั่นเดียวกันมีสองด้าลิกไปลิกมาทิกไปทิกมา เป็นไรอยู่กับปัจจุบันไปเป็นเป็นอย่างงั้นเป็นได้เ ป, เป็นธรรมดารู้สึกเรื่อยๆรู้สึกไปนะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะดูไปงี้ดูจนวันนึงเห็นมันเห็นใจคนอื่นอ่นะอยารู้อะไตัวเราไม่มีจริงๆหรอกนะเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเล่ามาตั้มบอกเขาฝึกไปฝึกไปนะดูไปกายก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวเรามันอยู่ไหนอ่ะ เลยตกใจขึ้นมาเมื่อวานจำไม่ได้แล้วใส่เหมือเล่าจำได้ไหมบอกแอวแล้วตัวเรามันหายไปไหนหมดชักตกใจอีกแล้วว่าตัวเราหายอืมอมันก็ผ่านมาผ่านไปโดยเฉพาะว่่งทางใจนะ ถ้าง่วงทางกายร่างกายเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะแต่ถ้าใจมันซึมพอไปดูดูว่าสว่างขึ้นมาง่ายสองพี่น้องเนี้ยมาฟังหลายทีแล้วรู้เรื่องบ้างอย่างเวลาอยากกินขนมรู้ไหมพู้เนี้ย อ, อยากดูหนังรู้ไห ม, มเคยเคยโกรธกันไหมเวลาโกรธรู้ไหมว่าโกรธ เ, เวลาโกรธนะให้ดูนะใจเราโกรธ ให้คอยรู้ที่ใจเราไว้อย่าไปตีกันนะสองพี่น้องเนี้ยตัวก็ไล่ไล่ก็นสู้กันไหวหรอมันเป็นธรรมดานะต่อไปมันจะเห็นเลยว่าระหว่างรู้กับสมมติบัญญัติเนี้ยโค่นล้านกันนะสั้นแยกไล่แล้ใช่ไหมอย่างความโกรธกับโกรธหนอเนี้ยโค่นล้านกันนะเรารู้สภาวะอันนี้ใช้ได้ แล้เรารู้สภาวะเรื่อยไปหัดใหม่ๆนะบัญญัติมันแทรกห้ามไม่ได้เพราะนั้นใจมันจะคอยบรรยายไเรื่อยแต่ว่าพ อ, อ ส, สั้นฝึกไปเรื่อยๆอ ส, สั้นจะเห็นว่ามันเป็นภาระนะรู้สึกไหมการบรรยายเป็นภาระจะชักไม่ชอบมาแล้วชักเบื่ออะไรเงี้ยให้รู้ทันมันนะโดอทั้งใจเป็นกลางถึงจุดหนึ่งมันไม่บรรยายมันสักว่ารู้แล้วจบลงแค่การรู้ไม่บรรยายต่อแต่เป็นเองนะนานฝึกหลายปี อ่าคูเป้บ้างอรมีใจมีปัญญาบกาวหลังเนี่ยรู้รู้ว่ามันเป็นอ่านัยย อะไมันก็ต้องอาศัยสมมุติบัญญัติขึ้น่อมานี่ยมันต้องอาศัยสมมุติในการถ่ายทอดเพราะสภาวะธรรมที่แท้จริงมันถ่ายทอดกันไม่ได้แล้วก็อาศัยคําพูดอะไรเงี้ยสมมุติขึ้นมามนก็ควรจะรู้นะงั้นเราภาวนาชำนี้ชํานาญแล้วเราก็ไปอ่านปริยัติบ้างเราจะได้บัญญัติตรงกับปริยัติ งั้นต่างคนต่างบัญญัติเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ละสำนักมีคําบัญญัติของตัวเองเยอะแยะเลยแล้วคุยกันไม่ได้เลยทะเลาะ ก, กันงั้นเราภาวนาเป็นแล้วนะไปลองดูปริยัติบ้างเรียนเรื่องสภาวะธรรมเจ็ดสิบสองมีสภาวะธรรมเจ็ดสิบสองตัวไปดูว่าบัญญัติแต่ละตัวเป็นยังไงยังไงเวลาเราพูดได้มาตรฐานหน่อย เพราบางคนบางสํานักก็มีศัพท์ใหม่ๆเยอะนะเราพูดกันไม่ได้หรอกบางสานักบอกว่ามีจินตยานอย่างเงี้ยนะจินตยานไม่รู้แต่ว่าอะไรพระไตรปิฎกไม่มีเต้องถามก่อนว่าจินตยานเป็นยังไงก็กลายเป็นต้องมาเล่าสภาวะกันเพราะว่าเราไม่รู้บัญจัติที่ตรงกัน อืมแลก็รู้สึกเหมือนแบบกันว่าอยกได้คำตมันมันไม่นี่ อ, อยากให้นิ่งเหรอไม่ใช่มันรู้ไปเออรู้ไปไงั้นแหละนะรู้ไปแล้วก็ดูที่ใจรู้ไปช่วงหนึ่งใจยังไม่ค่อยเป็นกลางขึ้นมาเช่นมันเบือ่อหรือไม่มันก็เป็นทุกข์มากเลย <c oughs> เห็นทุกข์เห็นโทษบางคนก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากบางคนก็เห็นแต่ว่ามันน่ากลัวมีหลายแบบ แต่ว่าไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะใ ห, ให้รู้ทันรู้ทันจิตใจของเราอยู่ทั้งมันเป็นกลางขึ้นมนเองทางเดินมันก็อย่างนั้นแหละบัดใจลอยแล้วบัดอ้าวโยรู้สึกว่าโยหนีไปจะแต่งเมืเ่อไหร่ห <c oughs> นีไปทั้งหลักไกลอา้าวคุณผู้ชายนี่แ่ละมาหลายคนแล้วเป็นไงบ้างหรอ เป็นไงพอรู uh, ้เรื่องบ้างไหมเออดีดีเออด อ่าคือคือคือเราที่เราทําเนี่ยเราไปฝึกเพื่อจะน้อมใจเข้าหาความนิ่งนิ่งนะเ่อไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยใจเราจะต้องสงบจะต้องนิ่งนะพอเราลงมือเดินจงกรมเราก็เริ่มน้อมใจไปให้มันนิ่งหรือบางครั้งเราสติของเรานะไปจับไว้ในอารมณ์มันเดียวเช่นเราสติเราไปจับอยู่ที่เท้าไปเรื่อยๆ่นะ สติพอลงไปแช่นิ่งๆเนี่ยใจมันนิ่งอ่ะมันเหมือนน้ำเน่าอะมันจะเริ่มสึมๆไปนะเวลานั่งก็นั่งแล้วก็ใจมันก็เคลิบเคลิ้มไปนะลองเปลี่ยนใหม่ลองลืมตานะรู้สึกรู้สึกอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยรู้สึกอย่างธรรมดาเนี้ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนาะยกตัวอย่างาสมมุติเราดูหนังนะเห็นนางเอกสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบเห็นไหมเราไม่ได้ตั้งค่าปฏิบัตินะเราไม่ใช่ว่าต้องนั่งอย่างนี้ต้องกําลังเดินจงกรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติ เราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยซึมเช่นคนเขาชมเราเราดีใจเรารู้ว่าดีใจคนเขาว่าเราเราเสียใจรู้ว่าเสียใจอยู่ในชีวิตอย่างนี้ เ, นเราฝึกไปเรื่อยๆ แล้วแต่จิตของคนอะไรก็ได้ร่วนเดียวก่อนนะแต่ว่าคุณรู้กายคุณมาเดินให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยมาเดินข้างๆเนี่ยเดินให้เหมือนที่ที่ฝึกเดินมาจริงๆนะคุณรู้สึกไหมจิตของคุณตอนนี้กับตอนที่คุณเริ่มลุกขึ้นเดินเนี่ยไม่เหมือนกันตอนนี้มันนิ่งๆกว่าปากติรู้สึกไหมขณะที่เดินอ่าทั้ น, นั้นเราเราแกล้งทำขึ้นมา ถ้าถ้าเดินที่ถูกต้องแนละ้วเดินที้จิตที่ปกติเลยไม่ได้แกล้งน้อมให้มันนิ่งเมื่อกี้เราน้อมให้นิ่งรู้สึกไหมอย่างจิตของคุณอย่างเงี้ยใช้ได้คุณลองเดินใหม่เดินอีกเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมเริ่มน้อมจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมก่อนนี้คือลืมที่จะเดินภาวะที่ทรู้ตัวอ่านี่ไม่ใช่นะรู้ตัวคือสภาวะปะกติอย่างเงี้ยอ่ะเฉนนื่งยมากที่สุดเห็นไมตอนเดินลืมไปแล้วรู้สึกไหม ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะทุกก้าวที่เราเดินเราเดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นเดินจงกรมหมดเลยจะเดินไปธุระเดินไปตลาดเดินไปทํางานเดินไปดูอะไรนะเดินโดยอย่างรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่น้อมแใจให้นิ่งนะเดินด้วยใจที่ปกติธรรมดาที่สุดเลยะของคุณอาตมาทำหน้าให้ดูนะเทียบเทียบหน้าทำหน้าให้ดูเวลาคุณเริ่มเดินจงกรมคุณจะทำอย่างนี้ยใจของคุณจะอย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นประคองให้นิ่งๆอย่างนี้ยแล้วเดี๋ยวมันต้องซึม เราแป้งทํานะเพอาะเข้าใจไหมตรงนี้นอี้าาเเรุ่คืออยู่ที่เราต้องรีบฝึกคือร่างกายเนี้ยยังไงก็เสือนะ่อมโดยเฉพาะยงยิ่งสมองเนี่ยจะต้องเสื่อมธรรมชาติเป็นอย่างนี้ี่สมองส่วนไหนที่เราใช้บ่อยนะมันก็เสื่อมช้านะเวลาที่เราฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยสมองส่วนนี้จะถูกใช้งานเยอะส่วนหน้าเนี่ย เพราะฉะนั้นจิตใจเราจะมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ได้แต่ถ้าคนไหนไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะใช้สมองส่วนที่ใช้กิเลสนนะใช้กับอารมณ์อารมณ์สมองส่วนที่สูขใช้เยอะเลยมันจะพัฒนาอยู่นะนะสมองส่วนที่ดีส่วนหน้าเนี่ยค่อยๆปอบไปยิ่งแก่ยิ่งร้ายกว่าเก่า